เทศอบรมพระวันที่26สเดือนมีนาคมพุทธศักราช2523เทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานะสัมปันโนบันทึกไว้ฟังแล้วเทศอบรมพระเผ็ดร้อนมากเกี่ยวกับการขบฉันน้ำร้อนน้ำชา ดีมากเกี่ยวกับการให้อยู่ให้ไปพระพุทธเจ้าก็จะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แถบล้มแทบตายเอาวีนาเลยสิท่านผูกขันขวายหาทมอาหา ร, ร, ร, อ, าหารอชรสมาโปรดสัตว์อุหมืดมนอนตรการท่านแถบล้มแถบตายไม่ว่า พระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสารณะของโลกเราชีวิตเขาแหละเขาประกันก็จะได้อา จ, จได้ทรมาแนะนำสั่งสอนโลกทันทุกอย่างลำบากขนาดไหนครูว่าอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อดอนามก็เดินตายมาทั้งนั้น เราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำส อ, สอนประชาชนผ่านเนนแต่และองค์ละองค์นี่ท่านเอาชีวิตเขาแหลเราเพียงจะมาล่างมือเปิดไว้เฉยก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะ ยิเรศก็บอกแล้วว่ามันน่าจะเของดีเอามากีดมาขวางทำทําไมอีดขวางทำกรีดขวางหมูเพื่อนเหยียบย่ทำทําลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มา อ, อุลุมธรรมะหาประโยชน์อะไรก็ทําไมไม่ดูบํารุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเขียงไม่ยอมลงนั่นไม่ดีกว่าที่จะมา หีดมาขวางวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหลือนี่ก็ได้พูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือแล้วในผงนี้พูดกับหมู่กับเพื่อนก็นดีการพปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการทึกษาจากท่านรั บ, รบแบบไหนก็ดะพูดให้ฟังหมดแล้ว พูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะใหเ้เอาอะไรมาพูดอีกในโรงครัวนี้จะมาถสมนุมกันนะใครจอบฉันก็ฉันนี่แบบแล้วอารมณนะ์ละฉันเล้วให้หนีจะมายุ่งคุยกันนะเแล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี mm ่ยวกับเรื่องการดู่การกินนี่เรื่องลิ้นเรื่องปากมาทําลายศีลทาลายธรรมไม่สมควรอย่างนิ่ การมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนเลยหรือความเห็นแก่เลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมเหนือดังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมองพอที่โลนกังวลกดแกงอยู่ด้วยความอยากความโทยจิยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิต ท, ที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทาไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกอันเป็นสิ่งที่ยกรเสริมกิเลส ไม่มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันที่มาพิสปฏิบัตินี่สอนแล้วสอนเราสอนย้ำมาหยุดไม่ถอยเรื่องกรามระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวพายอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไห น, นไม่ฝึกไม่ทรมานดัดสะดา ن ตัวนั้นจะดัดสะดา ن ตัวไห น, นมาอยู่ในวงหมู่คณะ ใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่เหตุผลหนึ่งในแง่เมตตาคิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นครั้งกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างครั้งกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักมูก่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดี ถ้าดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแงยหน้นาธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะไม่มีอะไรระคาระคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้สแสดงหาธรรมก็ความดียามแต่ตนและระดับ หมู่บ้านให้จะมีความสง่างามตลอดถึงประชาชนให้เกิดความเชื่อความดูมใสอันเป็นผลถอยได้าจากความดีของตอนเองเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหยาบยากอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พ บ, พบนะการ แ, แค่ราคาซึ่งการณ์กันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสําหรับนักปฏิบัติ ในโลกเขาที่มันเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีลายดำๆต่างๆเขาขาวไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ง่เป็นสถานที่ปฏิบัติของผู้มุ่งสนใจทำอย่างยิ่งผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัดเป็นทำแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับ ให้บอกมาดีกว่าที่จะมาซุบซิบรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่ง่ามองมองคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธี องกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมูต่อเพื่อนหวังดีต่อการต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จ ะ, ะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทาไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไร อยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันกีดมันขวางมันทำลายจะทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีมีมากยามาทำจีดทำขวางมาเหยียบย่าทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปะวาเรเมิดิเทนาวาสุเตนาวาว่ากันทาไม ว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยโดยเจ้าของไม่สนใจให้ผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดี เนาะการประจบสอบพออะไรอย่างนี้อย่านํามาใช้สําหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีมีทั้งมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามนํามาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของบุรีเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องคลิกแปลงเปลี่ยนแปล ง, งใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เถนกลงไม่ใช่เราไม่อวดเรากงไปงงมา แต่ไม่ใช่เถ็นกงโกงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่ที่อานหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมูเป็นของง่ายเมื่อไร่ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยจะมาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจานวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเดียบมันทับหัวกันอยู่ได้ ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันน้ํามันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูงหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูงหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองผู้อื่นแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อาณาธรรมอันนั้นก็ในแง่เมตตา เยตนาหังดีพูดกันได้ทุกเนี่ยทุม่งไม่ให้มีอะไรลี้ลับๆเรื่องซุบสิบ ๆ, ๆ, ๆมีไม่ได้ไม่ใช่นักธรร ม, มาพูดให้กลงไปกลงมานี่กําลังไลมาหลังไลม า, ล ไ, ลมาไม่ทราบมากกว่าน้อยผ่านมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกขี่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆนี้ก่อนหนันเห็นไหมนั่ น, น, น, นแล้วเราไม่ไตําหนิพวกใหม่โดยถ่า ย, ด ย, ยเดียว เพราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนีเราก็ต้องตำหนีเหมือนกันแมได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกโดยทายเดียวคนมีกิเลสด้วยกันมันต้องมีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้ นอกจากเขาจะผิดถ้าสติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของกิตซะจริงๆจนกระทั่งมันแยบออกเวลาไหนไม่มีการเผอตัวเลยการแยกออกแต่ละขณะดขนาดของกิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาภายในตัวเออนั่นยกให้ทันออกแงไหนทันทําไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุยถ้าถึงขั้นนี้แล้วทันออกแงไหนรู้กันทันทีทันที เพราะมันแคบเข้าไปแล้วมันมีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยวหลบเที่ซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของแล้วแต่ทำให้ผู้อื่นได้รับความลําบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามค่ามันแหลกไปหมดแล้วั้นมีที่อยู่มันก็เหลืองแต่ใจดวงเกี่ยวถ้าลงได้แยบรู้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่นทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวล น, นี่มันมาอยู่ที่หัวใจานี่ นที่ซุ้มซ่อนของมันที่สร้างพบสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิจจดแกจเกิตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เต็มใน น, นี้เองมันแผ่กระจายถึงก้าแนแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันฉเฉลี่ยยิงมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กว่ามันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถืกตัวมันเลยนี่เวลาตามเข้าไปตามเข้าไป จากจิ้งกิ่งเกีจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามาจากตัวที่เรนมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นสติปัญญาที่ฝึกผลอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จนตามนู่ตามเห็นตามพาดฟันทันแหลกกันเข้าไปเดิดําดับจนกระทั่งงเหลือแต่หัวใจเล็กๆมันตรุงของเรื่องไหนดูกันหมดทุกเวลาที่มันตรุงไม่มีคําว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอ แต่ขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับว่าท่านบอกมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาตโนมัตอุตโตมิติเป็นไปโดยธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นเช่นั้นนะไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ ม, รมันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป่าของมันนนัเวลามันได้ฉลาดมันก็เหมือนกับนั่นไม่เคยโง่เนี่ยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้ฝึกได้ แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของตายวาณใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทําไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวแต่เพราะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมูกับคณะเป็นเรื่องหยาบทําไมจะไม่ทันมันคิดในแง่ใดก็ดีมันต้องทันถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอุหลงถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงอยูอย่เฉย ราวังเอาอะไรเวลานี่เรามุ่งอัดมุ่งทำที่มานี่ผมนําหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแย่เป็นทางแห่งความเสียหายของหมู่ของนันผมเนี่ยพยายามเต็มส ต, ติกําลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อคู่กับดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่อยู่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มส ต, ติกําลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่อง ความเสื่อมเสียลงไปทีละเียกกันน้อยเกี่ยวกับประชาชนยานโจมเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งเราหนึ่งต้องปเผชยวกับประชาชนยากจ น, นมีทั้งหญิงทั้งชายนี่ประการหนึ่งประการที่สองออสเรเลียกราฟที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้ให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไป พอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจอดฟ้านอนจะมีอะไรก็มีตั้งแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเต็มอยู่นั่นล่แหลมวันนี้ก่อนับวันหน้าก่อนับความสนใจในอดในธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสังสมกิเลสอาสวะด้วยความโลภเป็นหลักสําคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสําคัญ ทำลายจะจิตใจให้พี่น้าที่หายจะอาจจากธรรไปเสียหมดเรื่อนี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์จะมาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุของผลทุกแง่ทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรไปแฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเรา ไม่นับนิมนตก็ได้เหตุได้ผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองในความดูแลของเราแล้วก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จําเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอยู่นี้หากจําเป็นจริงๆมันก็มีโรค ก, กับธรรมมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจําเป็นแล้วทําความเข้าใจไว้เฉพาะวาลานั่นเท่านั้นไม่ให้พร่ำเพื่อซ้ำซํำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรัง ในการขันในบ้านในเดือนพากับประชาชนเกี่ยวข้องคุ้นวากันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของหลีเป็นสิ่งที่จะทําจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลําดับเน่ยจอตัวประจัยททานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะเป็นยิเลี่ยตัวหนึ่งขึ้นมาทําลายผู้นั้นแหละไม่ทําลายใครพอที่จะคิดได้อ่านได้เราก็ช่วยคิดช่วยอ่าน การช่วยชีิตอ่าอ น, hey? นอย่างนี้เราเปิดทางไว้แล้วเราเปิดไปทุกแง่ทุ ก, ier, ทกมุมเราไม่ตายพระเนเนเราไม่ตายเราเลี้ยงดูพระเนนเต็มตัวติกําลังความสามารถทุกชิ้นทุกอย่างวัตถุทายทานที่เขานามาถวายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยสงวนว่านี่เป็นเรานี่เป็นนี่เป็นของเราไม่เป็นของใครเราเป็นผู้ได้มาก็มาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดลองคิดดูสิเราเพืพ่อพระเพื่อเนเนทั้งหมดแต่เราไม่อดพระเนรไม่อด แล้วปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆซึ่งมีต่อหมูต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ทำเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญนุ่งเดืองขึ้นโดยลำดับอันไหนที่เป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเข้ามาและพะเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดั บ, บเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจาเป็นก็สูตรวิสัยเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุ การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนอย่างนี้เรื่อยมาผิดตรงไหนเราบอกเราจี้ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยมีพันเตหโหหินะโอไปกยังปฏิรูปังนี่เรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทําหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทําเต้นพูมิความสามารถของตนเราก็จะทําอย่างนั้นตลอดมาเนื้วมีอะไร หัดคล้องอยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขกการฉันน้ำร้อนน้ำชาตะกอนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครอาจาร์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนไหนก็ไม่มีแม้แต่ประจำมัฑษาที่จันทบุรีนัน้นก็ไม่มีเขาจะาน้าตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยก็ไม่ได้ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกก็ไม่ฉัน ทัานต่อมาคนนั้นเอานั้นมาสมัยนี้มันสมัยมากเข้ามากเข้าหกวันเจวันนูนมีการมีงานกระชันทีหนึ่งถึงมีมากกว่าที่ไม่งั้นอ่ะไม่สนใจพระเนนก็สะดวกสบายใการประกอบความภาคเกียรติท่านต่อมาเนี้ก็เลยอารมณ์เรื่อยมาเรื่อยชันกันเรื่อยๆที่นี้มันก็เลยลามปามไปลูกไปใหญ่มันเป็นของดีเลยหรืออย่างนี้อารมณ์นี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้ยิ่เลสมันหลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนร่ยหัวใจพระหัวใจเนี่ะแหลกหลือเปลา เลนมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องก็พุ่งใหญ่ขึ้นไปดูลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสหมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเลนของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตนี่เราจนลืมตัวดินี่ยุ่งไปหมดจะว่า ย, ยางไงอะไรอะไรเราก็ไม่สมายใจก็จำได้เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแนีะยหุนให้หมูให้เปื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เพียงแยบๆยบออกให้ออกอไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่พิจารณานี่ที่ที่เราทำให้เราอินหนาวเราอาใจแล้ ว, ลวทำจะเจริญได้อย่างไงสมาธิปัญญาจเจริญได้อย่างไงเมื่อการทำการคิดการขอ้องข่วย เรนั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้ไหมนอกจากเป็นทางกิเลสให้กิเลสเกิดขึ้นมันยังคำ่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเกียติน้งเราที่มุ่งวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั้นหลืงเหนี่ยคิดนักปฏิบัติแล้วอยากให้รับความสะดวก ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหลับพระเนนที่อยู่ในวัดเหล่านี้การขบฉันก็อยากให้ขบให้ฉันด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เสกสรรปั้นหยอเป็นพานาจิตใจของเราจริงๆแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นฆาสึกตจะทำมันก็ทําให้เราชงงะงักเหมือนกันทั้งทังที่อยากให้ขบให้ฉันสิ่ง น, นี้เป็นมันเป็นพิษเป็นภายต่อกิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชงงะงักอีก แต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยประเดยให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตับ้ามันเข้าไปมีกําลังต่อร่างกายแต่เป็นการทําลายต่อจิตใจหรือเป็นพาต่อจิตใจนั่นผู้นั้นก็ให้จะต้องระวังเจ้าของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสําหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายจาริงๆเพราแม่ครูอาจารย์ั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอา น, นั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ วันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นาธาตุขันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับผมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละเนี่ยมันรู้ทันทีมันหลังงดหรือหากว่าฉันก็เพียงเักน้อยเท่านั้นยิ่งต้องระวังระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่ออะไเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใหญ่เสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง อย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับทําให้หวันให้หวพันในกิจใจมากกว่านั้นอย่าให้ทํานี่เสียไปนะ <c oughs> คิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านเกาๆไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคําว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอาหารสมาคือไม่ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายแต่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัรพายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยและถาฐานก็ไม่มีกำลังวางทามากจนเป็นเครื่องมือของกิดเลดสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่เรียกวาอาหารสรรพายะ เสนาสนะสัพยาที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปเพื่อความสมบงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุกลาสัพยาคก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกา ร, รยาณนะมิตรพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเก็งอกเกรงใจไม่มีคําว่าระแค่ราคาไม่มีคําว่ารังเกียรเกลียดฉันถึงกันตากันไม่มีเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้เวลามีข้อขัดข้อง อ, อะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดนี้ ความเคลื่อนไหวในทางกายวาจามไม่สะดวกต่ออัตตธรรมขัดข้องต่ออัตธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุฆราศ ป, ปายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแนะ่ไม่ว่ า, างไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัญญาณมิตตาหรือว่าปุฆสัปพายะ ก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันนี่ต่างคนต่างมากสแสวงหาอาถรรพ์ธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทําไมพูดกันไม่รู้เรื่องทําไมพูดกันไม่ฟังเสียงทํำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มาหมวดมุ่งทํา เีช้อนมูขึ้นมาไม่ทราบกี่ปีแล้วต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะานิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองท่านก็เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นเวลาออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยววงเดียว สะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องคหนึ่งหรือถึงสองหรือสององนี้ไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเน่หากเดินทางร่วมกันไปเฉยในเบื้องต้นก็แยกจริงจริงพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไป้องไขรสะดวกสบาย้องไขรของเราไปอย่างนั้นก่อนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลําดับลาดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการรู้ปฏิบัติ ถ้ามันกินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวานามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรต้องดัดส้นดานมันทางธาตุขันมันมีกําลังมากมันทับกิดใจถึงต้องอดอาหารนะเป็นเป็นนิสัยจนท้องเสียเห่างนั้ น, เ, นเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงาอายุสามสิหกปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาตัก่อนนั้นแล้วแต่สามสิบหก ปีอายุสิบหกพรรนั่นเมอนพอชันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดเพียงสาวันสี่วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้แล้วถึงได้งดแต่นั่นมาก็ไม่เอาเพราเราเคยทำมันตั้งเริ่มออกที่แรกมนเลยงพันษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอลกันหีืชุนมูลบุนวากันอยู่มันก็เป็นเวลาเก้าปีนี่จนแทบ พูดได้บ้างไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลารับความลําบากลําบนเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาของเรามันหยาบเป็นอย่างนี้ทนเอาเดินจนโซซัดโซเซจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเทียมากทางมันก็ไกลานานวันถึงแขนทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่งงางนั้นเรื่อยเรื่อยนานเขนานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะ จิตใจมันดิถึงถึงถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจําเป็นต้องบึกต้องบึนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วญาติโยมยี่กีวันก็ตาม ถ, าถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราเหละเราอยู่คนเดียวลําพังคนเดียวมีังแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้ว่อ ย, อยไปทุกลําบากก็ทนเอา เพราะของดีก็อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไห น, นอยู่ที่ลําบากนั้นเวลามาขุนขแม่ครูวาจันมรณภาพจากไปท่านั้นหนู่เพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็ลุมลุมลุมแทบเป็นแทบตายขามโมยนีจจากหมูจากเพื่อนกน็ไม่รู้กี่ครัง้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบอย่างนั้นอยู่ลาพังคนเดียวสบายสบายพอถึงมันตายก็พอแล้วท่านั้น ที่ไหนสบายตระกสบายกับคนป่าของเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับทยาสายของเรามันคิดไปอย่างนั้นทีนี้หมู่เพื่อนก็นมามากเขา้ามากเขา้าก็ต้องมีสำนักนี่ทำเลที่พาอยู่ป่านั่นแล้วก็คิดถึงตั้งกิจใจของเราที่ไปหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะดุดจะขาดออกจับตัวกลัวท่านจะไม่เมตตาทงสารรับเอาไว้อารมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจหมูหม่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันอเราจรึงได้ ลดหย่อนผ่อนพันุลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่นี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปีติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเนทั้งหลายมาจากทางใกายทางกายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์พระมาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยสแสดงภารกิตแจงของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่ยโอ้ยเก่ง เป็นคูเป็นอารย์ด่างเอกคนนั้นมาถืออันนี้มา ถ, ถือลูกศิษเต็มแผ่นดินมันไม่เคยจะสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนโลกประยิษฐ์ซะอี ก, อกนี่ใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องเป็นผู้อวบรวมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลําบากก็คือเราเนี่ยพอเราไม่ได้มุ่งอะไรกับผู้ใดนี่แต่ว่ามุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลําพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไร ใครนับถือม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหาอืมเขาจะตีขิ้นนินทาว่าลาต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นเนี่ยถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวาจาใจของเขามันก็เป็นผลดีขึ้นไปกับเขาต่างหากไม่ได้เป็นผลดีมาหาเรานี่นะเขาเป็นผู้สร้างเหตุทางนั้นเราก็เป็นเพียงได้ยินได้ฟัง จากคำติดชิ้นนั้นทาคาชนะเสิร น, นย อ, องเขาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเราไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ไปยึดเอามาเผาตัวเองอืแล้วไม่เป็นบ้าก็ม่ยึดลืมเนื้อดื ม, มตัวไปกับคําชนะเสิร์นย อ, ขอเขาเนี่ยมันก็สมายก็นั่นสิเอาอะไรโลกอนี่มีความแน่นหนามั่นคงที่ไหนเป็นสาระสําคัญที่พอจะยึดได้มันไม่เห็นมีอะไรนี่จะพิจารณาแล้วเต็มหัวใจนอกจากใจเท่านั้นที่จะเป็นสาระอันสําคัญ สร้างทำขึ้นขีดใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับลําดับใจก็มีสาระขึ้นทุวันทุวันไม่เคยสงบงเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านําคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความมุสาพยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุพทธเจ้าเป็นาศาสตราเอกขึ้นมาไม่ได้ภาษาวกข้างหลายประเสริขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้นี่เพราะท่านฝึกได้ กิเลสเป็นของข้าได้ชิพหายตายไปได้จากกิจใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคภียิมีสติจปัญญาเป็นเครื่องมือนสําคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านจึงนามาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสน า, า, าของศาสนะของพวกเราหรือเราจะเอาเราสรนังกระฉามีอย่างนั้นเหรออย่างที่เราสร้นังกระฉามีก็มีตั้งแต่กิเลส เต็มหัวใจส้านนังกระฉามีแล้วมันได้ผลปร ะ, ประการใดบ้างที่กี่ยเร่วเส้นนางกระฉามีนะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งเห่านี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้ที่ไหนผิดที่ไหนถูก โดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้มีขึ้นโดยลําดับลําดับอันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทั้งนั้นมุ่งต่อเหตุตอบผลต่อความจั์ความกิม่งใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความกิ่งทั้งนั้นนั่นยึ่งที่ว่านักธรรมะแม้อะหยุดเท่าตำหน่งเรานี่ก็ามาพิจารณาหาสาระของมันถึงได้เพราเสนอเสริญก็ตามข้อนินทาก็ตาม นั่นเป็นแง่ธรรมแง่นงหนึ่งที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะจับจับยึดเอาธรรมแง่ น, น, นั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่อมืนี่งเรียกว่านักธรรมะหรือเขาเสนอเรียรยอมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพราะเขาตีขี้นิ้นทำมาก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนจะของจะชิปหายไวโปงไปถูกเขา ตำหนิตีขีนินทายเหมือนกับว่าเขาเหยียบย่าทําลายจาเจ้าของก็จะแหลกไปตามานั้นนั่นกับบ้าแบบหนึง่งถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้งแปดเป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้งแปดถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมาก มันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรมแปดคืออะไรมีลาบเสื่อมลาบเนี่ยมียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจนมีที่ไหนนั่นพอพอาบดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่น สรรเสริญยนยอตนความถือเนื้อถือตัวถือทิฏฐิมานะอยู่ภายในตัวหยิ่งจองหอมอยู่ภายในตัวมันด้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยแล้วทีนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้เนยโลกธรรมตั้งแต่ด้นเข้ามาแล้วมีอะไรยินทาสรรเสริญจุกทุกข์เนี่ยหมดที่ทั้งนั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับ เราปฏิบัติอาจทำไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไระการทํางานเกี่ยวข้องกับความสามาคัคคีเหล่านี้ก็เหมือนกันนะแต่ใครขี้เกียจเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านก็ให้ไปจากวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องประชาชนด้วย มันมาเองทําไงสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นสลาเป็นต้นก็ต้องเนี่ยเช็ดต้องถูต้องทําความสะอาดไม่ทํางั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษา ส, สถานที่นั้นการรักษาจะทําวิธีไหนแค่ okay. ก็ต้องปักกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่ที่เรียกว่ารักษา เราก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าฉันเดินแล้วเขากระจัดก็ยินได้ฟังนั่นนี่หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสําคัญก็สงเคราะห์กันบ้างมาถึงเวลาได้เวลาพอสมควแล้วก่อนไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรผู้ที่ฟังพอสมควรบางทีก็มีเงี่หนักเบากัน นานบ้างก็มีมันน่าแต่เหตุผลที่ควรจะเป็นไปนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขาก็ัวรจะเรามาเที่ยวกันแล้วมันก็เหมือนกันล้วก็คิดเห็นอย่างนั้นเองนะตอบไปนี้ให้ท่านปัญญาอหนนิมมเพื่อนฟังปิดเทปแล้ว